กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเทีหลวงพ่อคำเขียนถวายความกราบมาอย่างพระอาจารย์พัฒนาชัยพระอาจารย์นโนธอจัร์ตุ้มจัร์สุรินพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแมช่ชีแล้วก็อุบาสกปาสิกาโดยเฉพาะข้าราชการใหม่หของ สาธารณสุขจังหวัดนะครราชสีมานะจำนวนหนึ่งิคนก็นั่งกันตามปกตินะ <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับเย็นนะของวันพุทธนะที่11อกุมภาพันธนะ์พุทธศักราช 2,558 นราวันแรม8ดคนะ่ำเดือนสมเป็นวันพระ ก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับนะและก็แสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่เนาะพวกเราถือว่าเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่นะของสาธารณสุขจังหวัดโคราชนะหรือจังหวัดนครราชสีมานะก็เป็นผู้ที่ให้บริการนะที่จะเรียกว่า สร้างความสุขนะให้กับประชาชนนะโดยเฉพาะความสุขที่หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ <c oughs> โรคทางกายนะเป็นสิ่งที่พวกเรานะจะต้องให้บริการนะก็เป็นบริการสาธารณสุขเมื่อพูดถึงเรื่องโรคแล้วเนี่ย ธรรมาก็เชื่อว่าทุกท่านนะที่มาจากหน่วยงานสาธารณสุขก็คงจะรู้เรื่องโรคทางกายเป็นอย่างดีนะแต่ว่าที่จะพูดในวันนี้นะเป็นโรคอีกโรคหนึ่งนะก็เรียกว่าโรคทางใจพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าคนเราเนะโรคทางกา ย, ยบางค น, นอาจจะ ปีหนึ่งอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้นะหรือห้าปีสิบปีก็อาจจะไม่เป็นเลยก็ได้เรียกว่าร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแต่โรคทางใจเนี่ยมันเป็นได้ตลอดเวลานะโรคทางใจคืออะไรโรคทางใจที่เราเห็นได้ง่ายๆเวลาเราทำงานหนักๆมันเครียดมันวิตกกังวล น, นะบางที <c oughs> อยู่คนเดียวก็อาจจะเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้านะอันนี้ก็เป็นโรคทางใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกมันไม่ใช่โรคนะมันก็เป็นธรรมดาเนาะที่ส่วนใหญ่เราก็เป็นๆกันแต่ในแง่ของพษษุทธศาสนาเนี่ยถือว่านี่เป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นโรคทางใจ คนป่วยเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรคทางกายอย่างเดียวอะเขาเป็นโรคทางใจด้วยโรคทางใจคืออะไรเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็วิตกกังวลนะว่าเอ๊ะมันเป็นโรคอะไรมันจะรักษาหายไหมนะแล้วก็อีกนานหรือเปล่านะก็เรียกว่ามาใช้บริการโรงพยาบาลคลินิกอะไรต่างๆซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็มี ส่วนรับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นก็เข้าใจนะว่าส่วนใหญ่พวกเราก็คงจะดูแลนะทั้งในส่วนกายแล้วก็ส่วนใจส่วนกายนี่เราเห็นง่ายนะแต่ส่วนใจเนี่ยมันเห็นยากนะซึ่งก็คงไม่ใช่เฉพาะคนไข้หรอกตัวเราเองก็เป็นเหมือนกันนะป่วยกายป่วยใจบางทีป่วยกา ย, ย, ใ, จา ย, กายใจก็ป่วยด้วยนะก็คือวิตกกังวล นะกลัวว่ามันจะเป็นอนุูน้นเป็นอันนี้แลนะบางทีก็เป็นนิดเดียวนะก็กังวลไปซะจนใหญ่โตพอไปคุยกับหมอไปคุยกับพยาบาลหมอก็บอกไม่เป็นอะไรมากเนาะเอายาไปกินนะเดี๋ยวก็หายนะเราก็รู้สึกสบายใจอันะนี้ก็เรียกว่าป่วยกายนะแล้วก็ป่วยใจไปด้วยแต่ทีนี้ <c oughs> มันก็มีสิ่งที่ มีตัวอย่างเนาะที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็คือตัวหลวงพ่อคําเขียนนะท่านป่วยกายแต่ใจท่านไม่ป่วยเป็นมะเร็งนะมะเร็งเรียกว่าครั้งระยะสุดท้ายเป็นครั้งที่สองแต่ท่านก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะซึ่งตรงนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะสำหรับคนในเอ่อคนที่ไม่ได้มาศึกษานะ ส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าป่วยกายใจมันก็ป่วยไปด้วยนะก็คือบางคนป่วยกายนะแล้วก็นอนอยู่กับโรงพยาบาลนะหมดเลี้ยวหมดแรงนะทำอะไรไม่ได้เลยวิตกกังวลไปต่างๆนาะนาะจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่ลูกหลานเป็นยังไงบ้างห่วงคนนู้นห่วงคนนี้นะเรียกว่าป่วยกายแล้วก็ป่วยใจด้วยแต่หลวงพ่อมเขียนนี้ท่านป่วยแต่กายแต่ใจท่านไม่ป่วย นะเราเสียอีกนะเราไม่ได้ป่วยกายแต่ไปกราบท่านเห็นท่านก็ยังยิ้มแย้มนะยังให้กำลังใจกับพวกเราแม้ว่าท่านจะพูดไม่ไดนะ้แต่ท่านก็ยังเขียนธรรมะนะมาให้กับพวกเรานะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างเนาะว่าคนเราเนี่ยป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยก็ได้นะนะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้โดยเฉพาะ ข้าราชการนะทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้โดยเอาตัวเรานะเข้าไปพิสูจน์เข้าไปทดลองมันจริงแล้วป่วยกายและใจไม่ป่วยเนี่ยนะเรามาอยู่ที่นี่วันนี้วันที่11นะก็อยู่11 12 13 14 1 5สอาี่าเช้าก็กลับเนาะก็อยู่ที่นี่เต็มเต็มวันนะวันนี้ไม่นับแล้ว วันกลับก็ไม่นับลสามวันเนี่ย น, นเราลองมาเรียนรู้โรคทางใจนะคือความเจ็บป่วยทางใจเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยมันมีนะเราดูสบายๆเนี่ยข้างนอกเนี่ยแต่ในใจลึกๆเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะเหงาเปล่าเปลียวเดียวดายก็มีมีเรื่องที่ทุกอยู่ในใจเก็บไม่อยากให้ใครรู้ก็มีนะเรียกว่า ทุกตรมอยู่ในใจมันก็มีนะหรือบางทีก็วิตกกังวลไปในเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าเป็นความทุกข์น่าและเป็นโรคทางใจณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นพบและก็หาทางออกเรียกว่ามีธรรมโอสถในการรักษาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยโดยเฉพาะการแพทย์ทางตะวันตก ก็อาจจะยังไม่รู้ทีเดียวแต่ตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวแล้วละ่ะเท่าที่ทราบาจาก เ, เมื่อช่วงที่ไปงานที่วัดอุโมงท่านชาญพระชาญชาวอสัสเตเลียก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ฝรั่งสนใจนาการรักษาโรคทางใจโดยอาศัยธรรมะ เ, เข้ามาแต่ก็ไม่เรียกว่าธรรมะเนาะ เรียกว่าเป็นเมดิเทชันบ้างเป็นมายฟูเนสบ้างนะซึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการทำสมาธิการเจริญสตนะิในการที่จะรักษาโรคทางใจนะได้หลายๆโรคนะซึ่งตอนนี้กำลังตื่นตัวกันมากนะก็ทราบมีหมอคนหนึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์เด็กนะคือหมอวายเนี่ยกำลังจะไปเรียนต่อด็อกเตอร์ที่อเมริกานะโดยเฉพาะจะศึกษาเรื่อง mindfulness base นะก็คือการเอาเจริญสตินะไปรักษาโรคทางจิตทางใจนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นี้ที่เรามาที่นี่เนี่ยความรู้เรื่องนี้มันมีอยู่นะโดยหลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็นำมาจากหลวงพ่อเทียนจากประสบการณ์ของท่านนะซึ่งหลวงพ่อเทียนก็นำมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้สืบทอดมา เพราะนั้นสามวันที่เราจะอยู่กันที่นี่หรือคนที่อยู่ประจําอยู่แล้วนะก็หน้าที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้วิธีการนะที่จะรักษาโรคทางใจนะที่มันมีอยู่ในตัวเรานะแล้วก็แก้ไขนะให้โรคนี้มันบรรเทาเบา บ, าบางลงไปนะเรียกว่าโรคชนิดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรักษาให้หายได้ ถ้าเราได้ลงมือกระทาโรคชนิดนี้หมอทั่วไปรักษาไม่ได้ไม่มีใครรักษาได้เรารักษาด้วยตัวเราเองเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการรักษานะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญนะหรือสติปัญญานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ เ, เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ค้นพบและก็ได้พูดไว้ นะเมื่อประมาณ 2,600 ปีจะประมาณเกือบ 2,700 ปีแล้วละ่ะป่วยกายเราใช้ยาที่เป็นยอยักษ์รักษาป่วยใจเราจะใช้ปัญญาคือยอหญิงรักษานะซึ่งอันนี้เป็นคําที่ท่านจันทงศิลป์นั่นชอบใชนะ้แต่มาก็จํามานะเออก็เข้าท่าเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเนาะสติปัญญาแต่คําว่าปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดนะ ไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดหาเหตุหาผลแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยนะเป็นวิธีการนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำเสนอไว้นะใน <c oughs> มหาสติปัฏฐานสูตรนะซึ่ง เ, เราจะได้เรียนรู้กันนะมาวัดป่าสุขโตจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ หลายคนคงเคยได้ยินคําคํานี้แต่บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรารู้เพียงแต่ว่าเออฝึกสมาธิทํากรรมฐานนะซึ่งหลายคนก็คงได้ฝึกมาบ้างนะแต่ส่วนใหญ่รูปแบบก็จะเป็นลักษณะของการนั่งหลับตานิ่งๆ น, นะมาที่นี่เนี่ยเราจเจนคนที่นี่เขาไม่ได้หลับตานะไม่ได้นั่งนิ่งๆมีการเคลื่อนไหวนะนี้ซึ่งเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะของการเจริญสติ อาศัยการเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์เป็นนิมิตในการที่จะปลุกความรู้สึกตัวหรือสติขึ้นมาสติหรือความรู้สึกตัวนี้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเร า, าอย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้เรานั่งอยู่เราก็รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ขณะยกไม้ยกมือเราก็รู้ตัวอยู่ น, นี่ก็เป็นสติ เป็นสติโดยสามัญนะสติโดยสามัญเนี่ยเรามีไว้ใช้สำหรับการทําการทํางานนะใช้ในกิจกรรมต่างๆนะแต่สติตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ไวพอนะที่จะไปแก้ความโกรธนะแก้ความโลภแก้ความหลงนะซึ่งเป็นเป็นมูลเหตนะุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์หรือเกิดโรคทางใจขึ้นมา ฉะนั้นก็จำเป็นนะที่เราจะต้องมาฝึกนะให้สติหรือความรู้สึกตัวนั้นมีความฉับไวขึ้นนะมีความว่องไวขึ้นนะสติที่มีอยู่ตามปกติธรรมดาเนี่ยมันเฉยมันไม่ทันเรารู้นะความกโกรธไม่ดีแต่มันก็โกรธมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะเรารู้ว่าความวิตกกังวลความคิดฟุ้งซ่านไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้จะควบคุมมันยังไง บางทีจะนอนก็ยังคิดอยู่นะมีบางคนนอนไม่หลับนะเนี่ก็เป็นปัญหานะเป็นโรคนะทางใจนะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆหลายคนนะก็หาทางแก้ปัญหาโดยการไปหาสิ่งข้างนอกนะเช่นเราเครียดเราเบือ่อเราก็ไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยอร่อยกินโทรศัพท์หาเพื่อนสนเสฮา กินเหล้าเมายานะก็คือหรือบางทีก็อาศัยยานยาเสพติดนะจะเป็นบุรีนะหรือจะเป็นยาบ้านะหรือพวกสุรายาเมาทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้มันลืมลืๆไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่การรักษาโรคไม่ได้เป็นการแก้โรคนะแต่เป็นการเรียกว่าหลบเลี่ยงไปนะไม่สามารถที่จะแก้ได้ ทีนี้การจะแก้หรือการรักษานั้นก็คือต้องกลับมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะเป็นความโกรธความเบือ่อนะความเครียดนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องหันกลับมาดูมันเรียนรู้มันสิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญนะซึ่งมีอยู่แล้วนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเราฝึกให้มันไวขึ้นวิธีการฝึกที่ วัดป่าสุโกโตนำเสนอก็คือการเคลื่อนไหวหาตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนนะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างนันในหลักการนะไม่ได้แตกต่างไปจากการเจริญสติโดยวิธีอื่นเพียงแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างไป้วนะก็คือเราจะไม่นั่งนิ่งๆเราจะไม่นั่งหลับตาเราจะไม่เน้นให้สงบแบบไม่คิดอะไรแต่ว่าให้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ใจเนี่ย มันอยู่กับเนื้อกับตัวส่วนใหญ่เนี่ยนะความหลงหรือความไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ใจของเราเนี่ยมันหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์นาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่สุขเราก็หวยหามันอารมณ์ที่ทุกขเราก็ไม่อยากจะเข้าหาเราก็พยายามผลักดันมันออกไปนะตรงนี้ก็คือเราเราไม่เป็นอิสระ นะไม่เป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งไม่เป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องมีเครื่องมือนะในการที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดปรุงแต่งนะถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไม่หลงนะไปในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายอารมณ์สุขอารมณ์ทุกขนะ์เราก็สามารถที่จะอถอยออกมาได้หนะรือว่าถอนออกมาได้หรือปล่อยวางมันได้ การที่เรากลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยนี่เป็นอุบายหรือเป็นเทคนิคในการที่เราจะออกนะออกมาจากอารมณ์ออกมาจากความคิดปรุงแต่งที่มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความสุขเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เพราะความไม่รู้เนี่ยเราอยากจะให้มันสุขนานๆเราไม่อยากจะให้มันทุกข์พูดง่ายๆก็คือรักสุขเกลียดทุกข์นะซึ่งตรงเนี้ย มีกันโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเรารู้แต่สองอารมณ์นี่คืออารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์เราไม่รู้อารมณ์กลางๆลนาะก็คืออารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์อะอารมณ์กลางๆอย่างเงี้ยก็คือใจที่มันเป็นปกติอะซึ่งมันเป็นธรรมชาติเป็นสภาพของใจที่ไม่เป็นโรคอารมณ์สุขก็ดีอารมณ์ทุกข์ก็ดีก็คือใจมันไม่ปกตินั่นก็คือใจมันเป็นโรคนะแต่จริงจรงใจเนี่ยมันไม่เป็นโรคหรอกนะแต่ว่ามันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมา เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เรามาฝึกเจริญสติกับการเคลื่อนไหวนะตามแนวการเจริญสติปฐาน4นีะ่ที่หลวงพ่อเทียนได้แนะนํานำะด้ยการเคลื่อนไหวการยกมือสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดนะีอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ใจมาอยู่กับกายนะเรียกว่าให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวคนที่ วิตกกังวลก็ดีประมาวก็ดีนากัดกลุ้มเครียดเนี่ยส่วนใหญ่นะก็เป็นเพราะว่าใจเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ค่อยหนักแน่นนะใจมันล่องลอยไปกับความคิดปรุงแต่งลอยไปกับเรื่องในอดีตลอยไปกับในอนาคตนะเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันล่องลอยไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาฝึกเจริญสติ นะให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะตรงนี้มันจะทำให้ใจเราเป็นปกติใจปกตินี่คือใจที่ไม่เป็นโรคนะนี่ก็คือการรักษาโรคทางใจด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวแรกๆเนี่ยเราก็รู้ที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันก็ต้องทำซ้ำๆซ้ำแล้วซ้าอีกซ้ำแล้วซ้าอีกเพื่อให้เกิดความชำนาญเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน ความรู้สึกตัวนะกับกายที่เคลื่อนไหวเมื่อเรารู้ของห ย, ยาบๆคือกายเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปรู้สิ่งที่ละเอียดขึ้นไปความปวดความเมื่อยนะความคลั่นเนื้อคลั่นตัวโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยอากาศจะอบอ้าวช่วงกลางวันอบอ้าวแต่ช่วงเช้าอากาศเย็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้บางทีเราก็ไม่ค่อยสบายนะตรงนี้ถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราก็จะได้รีบใส่เสื้อผ้าให้มันอบอุ่นหรืออาจจะต้อง กินยานะหรือดื่มน้ําอุ่นนะเนี่ยมันก็จะทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยในการป้องกันการเป็นโรคทางกายได้ด้วยนะนอกจากความรู้สึกตัวที่ว่องไวนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองแล้วความเปลี่ยนแปลงภายนอกแล้วนะมันก็จะเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกก็คือความคิดนึกปรุงแต่งนะคิดดีคิดไม่ดี ความพอใจความไม่พอใจความสุขความเหงาความเปล่าเปลี่ยวนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะไม่ไปจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นมันจะเกิดการปล่อยวางหรือถอนตัวออกมาใจมันก็จะเป็นอิสระทุกๆครั้งที่เรารู้ทันแต่ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรู้บ้างหลงบ้างนะมันก็จะมีหลงกับรู้นี่แหละนะรู้บ้างเผลอบ้างใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้น นะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเผลอปุ๊บมันจะกลับมากลับมาได้เร็วใหม่ๆมันเผลอแล้วมันไปยาวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องอาศัยการทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรามาอยู่3มวันก็ดี5วันก็ดี7วันก็ดีวันนี้มีพระรูปหนึ่งท่านมาจากกรุงเทพท่านบอกจะมาอยู่สักสองเดือน น, ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางเรายินดีเนาะที่จะสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่จะได้ใช้โอกาสเนี้ยอย่างเต็มที่ นะอันนี้ก็ถึงปเป็นสิ่งที่เราจะได้ใช้นะในการฝึกนะในการที่จะรักษาโรคทางใจนะด้วยสติสัมปชัญญนะหรือความรู้สึกตัวเพราะนั้นในกลุ่มของาาศาสนาสุขเนี่ยถือว่าเราได้มาเรียนรู้นะการรักษาโรคอีกชนิดหนึ่งนะที่มีมา 2,000 กว่าปีเรียกว่ารักษาโรคทางใจโรคทางใจให้กับตัวเราเอง เมื่อเรารักษากับตัวเองได้เราก็จะได้เอาไปช่วยเหลือคนไข้ญาติาพี่น้องคนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมงานอาจจะไปแนะนำแปลอะไรเขาไดนะ้นี่ก็จะเป็นประโยชน์เพราะนั้นในสวันนี้ขอให้เปิดใจนะเปิดใจแล้วรับฟังอย่าเพิ่งเชื่อเอาไปลองพิสูจน์ก่อนบางคนเนี่ยสาวั น, นไม่เปิดใจเลยเนะเสียเวลาเลยนะมาคราวนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยนะแล้วอึดอัดมาก นะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้นะว่าใครเปิดใจไม่เปิดใจนะทำหรือไม่ทำมันจะแสดงออกมาเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสสำคัญนะที่เราจะได้มาเรียนรู้วิธีการรักษาโรคทางใจนะซึ่งถ้าเราสามารถรักษาโรคทางใจได้นะก็ถือว่าเป็นลาบอันรเริดนะมี พุทธศาสนาสุภาษิตบอกว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสรินะซึ่งอันนี้เราเคยได้ยินกันมานานไอ้ความไม่มีโรคในที่นี้เนี่ยมันคงไม่ได้จำาเพาะว่าโรคทางกายนะนะโรคทางใจด้วยถ้าเราไม่มีโรคทางใจเนี่ยโอ้โหมันวิเศษมากนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นเรื่องที่น่าพิสูจน์น่าทดลองแต่สิ่งนี้เนี่ย มันจะพิสูจน์ทดลองได้ด้วยตัวของเราลงไปปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันแค่จดจำได้เท่านั้นเองอะ่ะนะแต่มันยังไม่ได้เกิดการรักษาเหมือนเราดูฉลากยาแต่เรายังไม่ได้กินยาเพราะนั้นการลงมือปฏิบัติก็คือการกินยาลงไปแล้วความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะไปแก้ไขมันจะไปรักษาโรคทางใจนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ นะที่เราจะได้ใช้โอกาสนะที่อยู่วัดป่าสุโกโตเนี่ยศึกษาเรื่องพวกนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับพวกเราทุกคนนะที่มากันในครั้งนี้นะโดยเฉพาะาบุคลากรขร้าราชการนะของสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมานะจานวน110่งน้อคนะอันนี้มารุ่นที่สองแล้วเนาะขาวที่ลรมารุ่นที่หนึ่งแล้วก็จะมีรุ่นรุ่นที่สาม ในเดือนหน้าแล้วก็รุ่นสุดท้ายเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมอเป็นกลุ่มหมอที่บรรจุใหม่เลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยก็มีความยินดีเนาะที่ทุกท่านเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็มาใช้ประโยชน์นะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคาเขียนเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นี่เนี่ยได้พยายามให้สถานที่นีนะ้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ ถึงกับตั้งเป็นชื่อว่าสถาบันสติปัฏฐานนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสถานสถานทีนะ่ที่ให้เราเรียนรู้การรักษาโรคทางใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามวันนี้เราลองมาดูเนาะว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะสําหรับกลุ่มที่มาใหมนะ่กลุ่มที่อยู่เก่าก็ทํากันอยู่แล้วเนาะ ก็ทำกันอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางคนบางท่านอาจจะไม่ทำก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันละเนาะก็แล้วแต่นะแต่ถ้าถ้าไม่ได้ใช้โอกาสตรงนี้ก็น่าเสียดาย น, าน่าเสียดายโอกาสตรงนี้ไปก็อยากจะสรุปในตอนท้ายนะว่าสมวันที่จะมาอยู่ที่นี่นะสิ่งที่เราจะทำมีเรื่องเดียวการรักษาโรคทางใจ ด้วยการเจริญสตินะซึ่งเดี๋ยวรูปแบบจะเป็นอย่างไรหลังจากทำวัดสวดมนต์นี้แล้วนเดี๋ยวก็คงจะได้ฝึกกันนะแล้วก็พากันปฏิบัตินะทีนี้ในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็จะมีอุปสรรคมีสิ่งที่มาขวางกัน้นนะซึ่งก็เป็นธรรมดานะทุกคนก็จะมีความง่วงเหงาเหานอนความเบื่อความฟุ้งซ่าน นะความรำคาญอันนี้เป็นธรรมดาเลยนะหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติมาเจริญสติก็คิดว่าโอ้มันสบายเนาะไม่ต้องคิดอะไรนะสงบนิ่งๆนะพอมาเจ อ, อวิธีการแบบนี้แล้วอะไรก็ไม่รู้คิดฟุ้งซ่านง่วงกองง่ว ง, ง, วงหลายคนถอยไปเลยนะมี ม, มีบางคนมากะว่าจะมาอยู่สัก อ, อ, อาทิตย์หนึ่งมาวันแรกเดินจงกลมง่วงหัวทิ่มเลยนะไม่เอาแล้ว บอกสงสัยไม่ถูกกระจลิดถอยเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านอารมณ์พวกนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มาทดสอบเรานะคนเราเนี่ยนะถ้าจะออกกำลังให้มันแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยใช่ไหมการออกกำลังกายยังเหนื่อยเลยแล้วการออกกำลังทางใจมันจะเหนื่อยแค่ไหนดันะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เราตั้งใจเนาะมีความอดทนมีความเพียรพยายามนะที่จะผ่าน อุปสรรคเหล่านี้ไปไม่มีอะไรนะที่จะเกินความสามารถไม่มีอะไรที่เกินใจที่เด็ดเดี่ยวของเราทุกคนเนี่ยมีใจที่เป็นใหญ่เพราะนั้นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จะพาให้เราผ่านพ้นไปได้ใจที่เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นมีศรัทธาเหมือนอย่างที่เราสวดกันไปมีศรัทธามีความเพียร น, นะมีสตินะมีสมาธิมีปัญญา นะตรงนี้จะเป็นพละเป็นพลังในการที่จะผลักดันให้เราผ่านอารมณ์ต่างๆนะแล้วก็สามารถที่จะผ่านความคิดปรุงแต่งต่างๆเหล่านี้ไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็ น, ปนสิ่งที่ทำให้เราได้สัมผัสเนาะกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เป็นโรคเหนือจากสุขเหนือจากทุกขนะ์ซึ่งครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียน หรือปัจจุบันก็คืออาจารย์กำพลเนี่ยก็แสดงให้เราดูถ้าใครได้ทราบเรื่องอาจารย์กำพลแม้ว่าท่านจะเจ็บป่วยหนาทางร่างกายแต่ว่าหน้าตาอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตายัางสดใสนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้มันเป็นจริงแล้วอย่างที่พุทธองค์พูดว่าเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายมันมีจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดกันลอยๆมันมีบุคคล เป็นพยานยืนยันแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทาได้นะขอให้เราได้ตั้งใจที่จะทำมีความศรัทธาที่จะทำมีความเพียรที่จะทำและให้ทำอย่างต่อเนื่องเนาะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าไม่เกินความสามารถของพวกเรานะที่เรามีพื้นฐานเป็นข้าราชการมาถึงขนาดนี้เนี่ย เข้าใจว่าเรามีพื้นฐานมาพอสมควรคุณธรรมจริยธรรมพอสมควรเรามาทำนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะการเจริญสติเป็นการต่อยอดขึ้นไปนะในระยะ3วันนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับการมาครั้งนีนะ้คงจะคุ้มค่ากับงบ ป, ประมาณนะที่เสียมาคุ้มค่ากับการเสียสละเวลาการเดินทางนะและมาอยู่ที่นี่ก็คงจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอาจจะอดหลับอดนอนบ้าง นะเพราะว่าแปลกที่แปลกทินนะปรับเรื่องอาหารการกิน <c oughs> ปรับเรื่องอากาศตอนนี้ก็คงจะไม่เกินความสามารถของพวกเรานะก็ขอให้เรามีความตั้งใจความเพียรพยายามทุกคนเนาะอะไรในท้ายที่สุดนี้นะก็อ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะ ที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งภายในตัวเราและนอกตัวเราทั้งกายทั้งใจและก็สภาพแวดล้อมต่างๆนะที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจของเราพระสงฆ์นะก็คือการปฏิบัติการเจริญสตินะด้วยสติด้วยปัญญาของเรา ประกอบทั้งความเพียรความยามความอดทนนะก็ขอให้ทุกท่านนะได้ปราศจากโรคนะทั้งกายและใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร